อัรเชิญพระวจนะหัวข้ออยากพบพระเยซูพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่สองข้อหนึ่งถึงสิบหกความว่าพระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบตเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชการของกษัตริย์เฮโรธภายหลังมีพวกโหราจาร์จากทิศตะวันออก มายังกรุงเยรูซาเลม็มถามว่ากุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหนเราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นเราจึงมาหวังจะนมัสการท่านครั้นกษัตริย์เฮโรธได้ยินดังนั้นแล้วก็วุ่นวายพระไ ท, ทั้งชาวกรุงเยรูซาเลม็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วยแล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิต กับพวกธรรมจารย์ของประชาชนตรัสถามเขาว่าผู้เป็นพระกริชนั้นจะบังเกิดแห่งใดเขาทูลว่าที่บ้านเบตเลเฮมแคว้นยูเดียเพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ดังนี้ว่าบ้านเบตเลเฮมในแผ่นดินยูเดียจะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุดในสายตาของบรรดาผู้ครองแผ่นดินยูเดียก็หามีได้เพราะว่า เจ้านายคนหนึ่งจะออกมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราแล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจาร์เข้ามาเป็นการรับถามเขาได้ความท้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้นแล้วท่านได้ให้พวกโหราจาร์ไปยังบ้านเบเดห์เฮมสั่งว่าจงไปค้นหาพระกุมาร น, นั้นเถิดเมื่อพบแล้ว จงกลับมาแจ้งแก่เราเพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วยโหราจาร์เหล่านั้นจึงไปตามรับสั่งและดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้นเมื่อพวกโหราจาร์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนักครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีมารดา จึงกราบถวายน้ำมศการกุมาร น, นั้นแล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแกกุมารเป็นเครื่องบรรณาการคือทองคำกัมยานและมดยอบและพวกโหราจาร์ได้ยินคำเตือนในความฝันไม่ให้กลับไปเฝ้าเฮโรธเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นครั้นเขาไปแล้วก็มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้า ได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่าจงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์และคอยอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเพราะว่าเฮโรดจะสแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสียในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์ ได้ได้อยู่ที่นั่นจนเฮโรสินพะชนทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่าเราได้เรียกบุตรของเราให้ออกมาจากอียิปต์ครั้นเฮโรสเห็นว่าพวกโหรจาร์หลอกท่านก็กริ้วโกรธยิ่งนักจึงใช้คนไปฆ่าเด็กผู้ชายทั้งหลายในบ้านเบดเลเฮม แต่ที่ใกล้เคียงทั้งสิ้นตั้งแต่อายุสองขวบลงมาซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ทราบจากพวกโหรจานนั้นขอพระเจ้าสงวยพระพรหัวข้อเทศนาในเช้าวันนี้นะครับในวันเตรียมรับเสด็จพระเยซูก็คืออยากพบพระเยซูพี่น้องครับเรามาหาพระเยซูคนเราทุกคนนั้นก็มีความ ต้องการที่แตกต่างกันในการมาหาพระเยซูเป็นความต้องการที่หลากหลายเป็นความต้องการของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเราสามารถพบพระเยซูได้ในวันคริ ส, สต์มาสนี้แต่เราจะพบพระเยซูด้วยท่าทีอย่างไรเราจะพบพระเยซูเพื่ออะไรกันและเราจะพบพระเยซูได้อย่างไรในเช้าวันนี้นะครับคำถามที่ผมอยากจะถามเพื่อที่จะกล่าวนําทุกๆท่าน ที่มานำปการพระเจ้าในเทศกาลคิดสมพบนี้ก็คือทำไมเราถึงอยากพบพระเยซูทำไมเราถึงอยากพบพระเรยซูอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นหรือเปล่าอยากจะได้ชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่านี้ไหมวัตถุประสงค์ที่เราอยากจะพบพระเยซูพระกัมพีนั้นเปรียบเสมือนกับเป็นรงังญ่าถ้าเรามาที่รงังญ่าเราก็จะพบกับพระเยซู เช่นเดียวกันครับในสมัยนี้เนี่ยถ้าเรามาหาพระเยซูในโบสถ์โบสถ์บางโบสถ์มหาพระเยซูอาจจะไม่พบกับพระเยซูก็ได้พระคัมพีเปรียบเสมือนกับรังญ้ามาทินลูเทอร์ได้กล่าวอีกนั้นว่าในรังญ้านั้นเราจะพบกับพระเยซูเราจะพบกับทารคน้อยพระกุมาร น, น้อยที่บรรทมอยู่ในรังหญ้าในค่ําคืนวันคริสต์มาสแต่ว่าทุกวันนี้ ในหลายๆคริสตจักรในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนั้นจับพระเยซูไว้ให้นอนอยู่บนเปลครับคําว่าเปลนี้มีความหมายว่าอะไรครับคําว่าเปลหมายความว่ามนุษย์จับพระเยซูมาใส่เปลแทนที่จะให้พบพระเยซูในรางยากพี่น้องครับเราต้องมองทะลุเปล ให้เห็นาราังย่าเราถึงจะพบกับเปเรียซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นเปลในที่นี้หมายถึงอะไรเปลในที่นี้ก็หมายถึงอาจจะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับซึ่งไม่มีอยู่ในพระกัมพีนะเป็นเรื่องที่เกิดหลังพร ะ, พระกัมพีหรือแม้กระทั่งซันตาคลอสนะครับกวางเรนเดียพวกนี้เป็นเปลที่มนุษย์สร้างขึ้นมา แล้วก็จับพระเยซูไว้อยู่ในเปรแต่ในเช้าวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสได้พบกับพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นในรางย่าครับในวันนี้เราจะพบกับพระเยซูในพระคัมภีร์ใหม่ที่ได้อ่านไปในพระธรรมมัทธิวและผมอยากจะเพิ่มเติมในพระธรรมลูกานะครับวัตถุประสงค์ที่อยากจะพบกับพระเยซูความอยากเป็นแรงบันดาลใจของพวกเรา ถ้าถามว่าพวกเราที่มานัสการพระเจ้าในช่วงเทศกาลวันรับเสด็จนี้มีความปรารถนามีความอยากมากน้อยแค่ไหนและความอยากนั้นเรารู้ครับว่าขับเคลื่อนชีวิตของเราความอยากนั้นสร้างความต้องการให้เราลุกขึ้นมาทําตามความปรารถนาความอยากของเราได้ในชีวิตของเรานั้น ทุกๆ ท, ท่านคงจะมีประสบการณ์นะครับเมื่อเราอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องใช้ความพยายามเราลุกขึ้นมาเราลุกขึ้นมาแต่เช้าถ้าหากว่าเราจะอยากจะอ่านพระวจนะพระเจ้าอยากจะมีความใกล้ชิดกับพระเยซูเราอยากจะทําอะไรเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทําได้ความอยากเป็นแรงบันดาลใจความอยากนั้นเป็นเสมือนกับเป็นน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตครับเป็นน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตทําให้คนเรามันมีความหวังนะฮะถ้าถามว่าผู้อุโสนั้น อยากจะเห็นอะไรอยากจะเห็นอะไรเนี่ยท่านผู้สโสก็สามารถที่จะทาบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นได้เช่นท่านผู้โสดหลายท่านนั้นอยากทำมันอย่างให้ลูกหลานแต่บางครั้งทำไม่ได้เวลาที่เราไปเยี่ยมท่านนั้นท่านก็จะร้องไห้ครับเวลาที่คนเรานั้นประสบกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นตัวตนเดิมแต่เป็นไม่ได้นะครับเราก็รู้สึกว่าเสียดายเสียใจ ความอยากตรงนั้นแหละครับเป็นเหตุที่ทำให้คนเราต้องลุกขึ้นมาต้องต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาความอยากอย่างนี้นะครับมาใช้กับการที่เราอยากจะพบกับพระเยซูผมเชื่อแน่ว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้อยากจะพบกับพระเยซูอยากจะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นหรือเปล่าคาถามต่อไปก็คือว่า ทำไมถึงอยากพบพระเยซูเมื่อสักครู่นี้พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงเฮโรดเฮโรดอยากจะพบกับพระเยซูถามว่าทำไมอยากจะพบกับพระเยซูคำตอบก็ง่ายๆครับก็คือว่าต้องการฆ่าพระองค์พี่น้องครับเราจะพบกับเฮโรดอย่างที่เขาเป็นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้เบื้องหลังของเฮโรธว่าพระวจนะพระเจ้าอาธิบายว่า เมื่อโหราจานั้นได้ไปบอกกล่าวการประสูติของพระเยซูให้กับเฮโรธท่านได้รู้ว่าเฮโรธนั้นเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าเป็นกษัตริย์มหาราชแต่เป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายครับเมื่อทราบข่าวของการประสูติของพระเยซูจอมกษัตริย์คําว่าจอมกษัตริย์นั้นหมายความว่าเป็น king of kings ก็คือพระเมสสิยาห์นั่นเองพระมาซีฮาหรือพระเมสสิยาห์นั้นแปลว่าผู้ที่ถูกเจิมหรือกษัตริย์ครับ คนที่ถูกเจิมในสมัยพระกัมพีเดิมนั้นอาจจะเป็นปุโรหิตก็ได้เป็นเป็นกษัตริย์ก็ได้และผู้ที่เป็นกรอบพิธีการเจิมนั้นก็คือผู้พยากรณ์หรือประกาศศักของพระเจ้านั่นเองเมื่อเรารู้ว่าผู้เจิมนะครับจริงๆผู้เจิมแท้จริงนั้นอยู่บนสวรรค์ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นการเจิมนั้นแปลว่าการแต่งตั้งครับตามภาษาเดิมเมื่อเรารับการเจิมนะครับจากใครก็ตามหมายความว่ารับการแต่งตั้งจากผู้นั้น เพราะฉะนั้นปุโรหิตและกษัตริย์นั้นเป็นผู้ถือเกีย์เจิมจากพระเจ้าโดยผ่านทางประกาศศกหรือผู้เผยพระนะผู้พยากรณ์นั่นเองพี่น้องครับเฮโรอิจฉาอิจฉาว่าตัวเองนั้นจะต้องตกจากตําแหน่งและจะต้องมีจอมกษัตริย์องค์ใหม่ตามคําพยากรณ์แต่ด้วยความไม่รู้จริงในคําพยากรณ์ของพิเภกสิยาว่าพระิเภกสยิยามาเพื่อที่จะ แสดงความการุณาไม่ใช่มาเพื่อที่จะปกครองราชนันจักรของโลกแต่เป็นราชนันจักรของสวรรค์ปกครองหัวใจของผู้ที่เชื่อและประกาศข่าวประเสริฐและแผ่นดินของพระเจ้าเฮโรดไม่รู้จริงในคำพยากรณ์ดังนั้นเฮโรดจึงวางแผนกําจัดพระเยซูให้พ้นทางอำนาจของเขาเราเห็นว่าความยึดติดกับอานาจนะครับการวางไม่ลง ทำให้เฮโร่ต้องทำบาปใหญ่หลวงคือว่าเขาต้องสั่งฆ่าทารกที่อยู่ในบ้านเบเดเลเฮมนั้นตั้งแต่สองขวบลงมาเราเห็นนะครับว่าการขนมเฮโรนั้นเป็นเรื่องของการเมืองครับหลายหลาคนบอกนะครับว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์จากการที่ปกป้องผลประโยชน์อำนาจของตัวเองทําให้เกิดการฆาตกรรมหมู่ขึ้นมาได้การฆาตกรรมหมู่นั้นเกิดขึ้น เป็นตราบาศของเฮโรดติดตัวเฮโรดไปตลอดจนกระทั่งถึงเขาจะรับการพิพากษาในวันสุดท้ายพี่น้องครับหลายใน ท, ทีเดียวนะครับผลประโยชน์ทางด้านการเมืองอำนาจผลประโยชน์ต่างๆนะครับมีมากมายมหาศาลผลกระทบของการอยากจะได้อำนาจการอยากจะได้ผลประโยชน์การครอบครองต่างๆที่ในโลกนี้กระทบมากมายต่อชีวิตของเรา และไม่เพียงแต่กระทบมากมายต่อชีวิตของเรานั้นมันยังกระทบกับชีวิตของคนอื่นด้วยทารกที่ไม่ลุยโหนเนทารกที่ไร้เดียงสาต้องตายกระทบตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่วัยชราเลยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเด็กเหล่านั้นจะ ต, ต้องร้องไห้เพราะเจนะของพระเจ้าได้เผยไว้ในพระบรมพีเดิมบอกว่าจะมีเสียงร้องไห้ที่รามารามาก็คือหมู่บ้านชื่อชื่อหนึ่งของเบตเลเฮม จะมีการค่ำควรวญการสูญเสียที่บ้านเบ็ดเลมทุกๆคนเสียใจกับการกระทำของกษัตริย์เฮโรดและนี่คือสิ่งที่เฮโรอดอยากจะพบกับพระเยซูด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องและด้วยเบื้องหลังของการผลประโยชน์ของการเมืองจึงทำให้พระเยซูกลายเป็นภัยคุกคามพี่น้องครับคนของพระเจ้า จอมกษัตริย์ที่เสด็จมาด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยโปร่งจงเป็นความจริงด้วยความจริงใจถูกมองเป็นภัยคุกคามของคนบางกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์คนบางกลุ่มนี้ในสมัยต่อมาก็คือพวกฟาริสีและพวกธรรมจา ร, ารนั่นเองแต่ว่าเฮโร่นั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์และถือว่าพระเยซูเป็นภัยคุกคามเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงกลายเป็น สิ่งที่พวกเขาปฏิเสธด้วยเหตุ น, นี้ถามว่าทําไมเฮโรดถึงอยากจะพบพระเยซูโครงการที่จะทํำลายพระเยซูนั่นเองเราจะมาดูกันครับว่าเฮโรดคือใครพระคัมภีร์หลายหลายท่านบอกว่าอ่านแล้วสับสนเฮโรดนูด่นเฮโรดี่มีหลายเฮโรดแล้วเกินนะครับชื่อของเฮโรดนั้นปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์พรกิตคุณทั้งสีเล่มและกิจการด้วยในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าเฮโรดคือใคร เฮโรนนะครับมีอยู่สพระองค์ครับสองค์ด้วยกันในพระคุมภีร์ที่ปรากฏอยู่เฮโรนแรกก็คือเฮโรดมหาราชภาษาอังกฤษเรียกว่าเฮโรนเดอะเกรทนะครับเป็นเฮโรดที่อยู่ในสมัยของพระเยซูเกิดครับเฮโรดองค์ที่สองก็เป็นโอรสของเฮโรดมหาราชก็คือเฮโรดอันทิพัสเฮโรดองค์ที่สมก็เป็นเฮโรดอทิปราที่หนึ่งซึ่งเป็นลูกของอันทิพัส และเฮโรดองค์ที่สี่ก็เรียกว่าเฮโรดอคิดปาที่สองซึ่งเป็นลูกของอคิดป้าที่หนึ่งสืบทอดกันมานครับเป็นลูกของเฮโรดมหาราชมาเป็นหลานของเฮโรดและก็มาเป็นเหลนของเฮโรดตามตามตารางข้างบนนี้ผมจะไล่ให้พี่น้องฟังนะครับเฮโรดมหาราชนั้นก็เป็นเฮโรดที่สร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับและเป็นเฮโรดที่ฆ่าทารก ในสมัยของพระเยซูเกิดพอเขามีลูกนะครับเขามีลูก4ี่คนลูกคนที่3ก็คือเฮโรดอันทิพัสนะครับและลูกของเฮโรดอันทิพัสนะครับชื่อของเฮโรดอันทิพส์นั้นปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่1บทที่2อและคำอยู่ในในพระกัมภีร์อยู่ในพระกริตติคุณยกเว้นในพระธรรมลูกาบทที่1บทที่2และมัทธิวบทที่2นั่นหมายความว่าในช่วงพระเยซูเกิดนะครับ เป็นเฮโรดมหาราชแต่หลังจากนั้นนี่ครับชื่อของเฮโรด์ในพระธรรมกิตติคุณทั้ง4ี่เล่มนั้นก็เป็นเฮโรตอันติพัสก็เป็นลูกของเฮโรดมหาราชต่อไปครับเจเนเรชันที่3รุ่นที่สก็เป็นเฮโรดอะคิป ป, า, นะ า, ป, ปานะครับเฮโรดอะคิปานะครับก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการนะครับกิจการยกเว้นบทที่4และบทที่13ซึ่งหมายถึงเฮโรดอันติพัส รายละเอียดนั้นปรากฏอยู่ในจอและเฮโรดอักขิปปาที่สองก็เป็นเหลนของเฮโรดมหาราชนั่นเองเพราะฉะนั้นจาก4รุ่นนะครับเราจะเห็นว่าชีวิตของเฮโรดนั้นผ่านนะครับวงของเขาราชวงศ์เขาเนี่ยผ่านชีวิตของพระเยซูและผ่านการเกิดของพระเยซูการสิ้นพระชนของพระเยซูเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับจนกระทั่งถึงการถือกําเนิดของกิจจยากยุคแรก เราเห็นว่าราชวงศ์เฮโร่นั้นเป็นราชวงศ์ที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแม้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จในด้านการเมืองก็ตามมีอํานาจมากในการครอบครองประชาชนก็ตามแต่เขาหลุดออกจากแผนการของพระเจ้าเพราะว่าเฮโรดเหล่านี้นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในทางที่ไม่ดีกับชีวิตของพระเยซูเสมอมาด้วยเหตุ น, นี้ครับถามว่าทําไมเฮโรดอยาจะพบกับพระเยซู การส่งทอดความเกลียดชังพระเยซูและคฤ้จักของพระองค์ได้ถูกถ่ายทอดมาในราชวงศ์นี้หลังจากนั้นนะครับเฮโรอดอคิปปาที่สองก็ได้ถูกถอดจากจั ก, กรวรรดิโรมเขาไม่ได้มีโอกาสที่จะครอบครองแผ่นยูดาห์อีกต่อไปนี่คือเฮโรดครับเราจะมาดูการพบพระเยซูในท่าทีที่สอง ไม่ใช่เห่โลดแล้วนะครับเป็นท่าทีของโหราจารย์ท่าทีของโหราจารย์ในการพบพระเยซูแตกต่างกันไปเราจะพบในพระธรรมลูกาบทที่สองครับประการแรกโหราจารย์พร้อมที่จะเสี่ยงถ้าเราอยากจะพบกับโหราจารย์ตัวจริงนะครับเราคงหาดูจากการแสดงละงครคริสต์มาสไม่ได้เพราะว่าการแสดงคริสต์มาสนะครับ เป็นเพลเป็นเพลไม่ใช่เป็นรังยาจากการศึกษาคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมของก่อนยูนะเราจะพบว่าอิสยายเยเรมีหรือบรรดาผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมพยากรณ์ไว้ถึงการเสด็จมาของพระเยซู ป, ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อปีล่วงหน้าและคำพยากรณ์เหล่านี้นะครับถูกถ่ายทอดไปถึงวัฒนธรรมอื่นๆถึงประเทศอื่นๆด้วยพี่น้องลงจินตนาการนะครับว่า บทความคัมพยากร์ต่างๆเหล่านี้หนังสืออิสยาห์เหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกไปให้กับบรรดาโหราจาร์ผู้รู้ทั้งหลายซึ่งเป็นคนต่างชาติและพวกเขาเนี่ยได้ศึกษาคํมพยากร์และมั่นใจมั่นใจถึงขนาดไหนมั่นใจจนถึงจุดที่เขาพร้อมที่จะเสี่ยงถามว่าทำไมโหราจาร์พร้อมที่จะเสี่ยงความเป็นไปได้ที่คํมพยากร์จะเกิดขึ้นจริง ในแผ่นดินซึ่งเขาไม่รู้จักมาก่อนอันนี้พูดถึงโหราจารนะครับความเป็นไปได้ที่ค้ำพยากรจะเกิดขึ้นจริงตามคํำพยากรของคนยิวที่เขาได้เพียงแต่เห็นเอกสารตัวโหราจารเหล่านั้นเนี่ยไม่เคยพบกับพระเจ้าไม่เคยรู้เรื่องพระเจ้าเท่ากับคนยิวที่เขารู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นถามว่าการที่เขาจะนาเครื่องมานาการที่มีค่าสูง เดินผ่านหุบเขาที่อันตรายเดินผ่านทะเลทรายนะครับอาจจะพบกับโจรถูกปล้นถามว่าเป็นความเสี่ยงไหมครับความเสี่ยงแต่โหราจาร์เหล่านั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะเสียเส่ยงต่อการถูกปล้นเสี่ยงต่อการถูกฆ่าเสี่ยงต่อการอาจที่เขาจะเอาชีวิตไม่รอดด้วยซ้ำไปถ้าเราคิดถึงความรู้สึกของโหราจาร์ก่อนที่เขาจะตัดสินใจ มาเพื่อที่จะถวายเครื่องบรรณาการกับพระเยซูเขาพร้อมที่จะเสี่ยงถ้าถามว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับในการหันกลับมาหาพระเจ้าสำหรับบางคนนั้นมีความเสี่ยงครับมีความเสี่ยงที่ครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียนจะปฏิเสธเขาในครอบครัวของผู้ที่าศาสนาที่ขมเห็งคริสเตียนเนี่นะครับเขาไม่อนุญาตให้ลูกหลานเขาเนี่ยมาเป็นคริสเตียน ใครที่มาเป็นคริสเตียนจะต้องถูกอับไปหีจากครอบครัวเขาบางครอบครัวนั้นถึงขนาดจ้างมือปืนไล่ฆ่าไล่ยิงเขาด้วยซ้าและบางคนในประเทศที่กีดกันข่มเหงคริสเตียนนั้นจะถูกฆ่าทั้งตระกูลตระกูลไหนที่กลับใจเป็นคริสเตียนเขาต้องย้ายหนีครับก่อนที่จะถูกฆ่าอัดคลิปวิดีโอเผยแพร่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศ ที่ข่มเหงคริสเตียนในทุกวันนี้สำหรับเราทั้งหลายที่อยู่ในประเทศที่สุขสบายการข่มเหงเกิดขึ้นบ้างถามว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงไหมครับการข่มเหงเกิดขึ้นเล็ ก, ลกๆน้อยๆเมื่อเรายืนขึ้นมาแล้วบอกว่าเราเป็นคริสเตียนในเวลาที่หลายๆครั้งเราจะต้องยืนหยัดในความเชื่อโดยที่ไม่ประนีประนอมเรากล้าที่จะเสี่ยง ในการบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเราจะไม่ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นหรือเราจะปฏิบัติม o r m ทำตัวให้เบลนให้เนียนไปกับความเชื่อที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับเราพร้อมที่จะละทิ้งเอาชิดของเราเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงเพื่อติดตามพระเยซูมากน้อยขนาดไหนประการที่สองครับท่าทีในการพบพระเยซูของโหราจารก็คือเขาเตรียมตัวอย่างดี การเตรียมตัวก่อนจะออกเดินทางพวกเขาต้องวางแผนใช่ไหมครับโหลาอาจารย์มาเนี่ยนะครับหลายหคนบอกว่ามาสามคนนะฮะเพราะว่ามีเครื่องมรณาการอยู่สามชนิดแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเข้ามากันสามคนนะครับหรือสามกลุ่มอาจจะมีมากกว่าสามนะแต่สิ่งที่รู้แน่ๆก็คือว่าสามกลุ่มนี้นะครับเขาไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับ เห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จากภาพวาดนะครับภาพวาดที่วยู่นผนังของโบสถ์โบราณในสมัยศตวรรษที่3และสที่เบดเลยเฮมภาพวาดนะครับก็คือเป็นคนสามกลุ่มเป็นโหราจาร์อยู่สามองค์ด้วยกันนะครับโหราจาร์สมคนที่แต่งตัวไม่เหมือนกันเลยครับนะจากตำนานเนี่นะครับเราพบว่าบางตำนานเนี่ยบอกว่าโหราจาร์กลุ่มหนึ่งมาจากเชบา พี่น้องคงจําได้นะครับมีราชินีมาจากเมืองเชบาใช่ไหมครับเมืองชีบ่านีก็จะเป็นอยู่ปลายของแหลมอาหรับอาราเบียนั่นเองนะครับอยู่ทางตะวันออกอีกอันหนึ่งนะครับก็คือพวกเปอร์เซียนะครับพวกเปอร์เซียตำนานนี้นะครับมีที่มาที่ไปครับโบสเก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยตั้งอยู่ที่เบเดเลห์เหมไม่ได้ถูกทําลายโดยพวกมุสลิมในสมัยต่อมาเพราะอะไรครับเพราะว่าคนนะครับที่เป็นมุสลิมเนี่ยครับ เขาเป็นกองทัพของเปอร์เซียมาเข้ามาอยู่ในในโบสถ์เบตเลเฮมตรงนี้นะครับเห็นว่าบรรพชนของเขาเนะี่ยยังมายังมาถวายมานาการกับพระเยซูเลยเขาก็เลยงดเว้นที่จะไม่ทําลายโบสถ์แห่งนั้นเป็นโบสถ์แห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ครับในนี่คือเปอร์เซียนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับก็จะมีอาระเบียอาระเบียก็คือเป็นประเทศในแถบอาหรับ นะครับทะเลทรายอาหรับนั้นก็เขาจะมีโหราจารย์ที่ศึกษาพราะชนะของพระเจ้านะครับศึกษ า, าคําของประกาศกในะคําพยากรณ์ของอิสยาเหมือนกันคนเหล่านี้ครับต้องเตรียมตัวศึกษาเส้นทางนะครับวางแผนการเดินทางความปลอดภัยการคุ้มกันเส้นทางบุคลากรทุกอย่างกว่าจะมาพบพระเยซูได้ทุกวันนี้ ในชีวิตของเราการมาหาพระเยซูนั้นง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับนะฮะเรามาหาพระเยซูง่ายนิดเดียวเรามีความสะดวกสบายและเราส่วนใหญ่ก็มาเป็นผู้ชมนะครับบางคนก็เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์นะฮะถ้าเราตื่นเช้าเซกเล็กน้อยมานมารดกให้ทันถ้าเราตื่นเช้าเซกเล็กน้อยมาเรียนละวีให้ทัน มีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขเราก็แก้ไขการที่เราจะมาพบกับพระเยซูต้องเตรียมตัวพี่น้องครับคนยิวเนี่ยเขาเริ่มนับเวลาของวันสะบาโตนนตั้งแต่6กโมงเย็นนะครับของวันศุกร์วันสะบาโตเริ่มต้นตอน6กโมงเย็นของวันศุกร์และนี่เป็นเหตุที่พระเยซูจะต้องถูกอัญเชิญลงมาจากไม้กางเขนก่อน6กโมงเย็นเพราะว่าหลังจาก6กโมงเย็นแล้วเขาทําอะไรไม่ได้เลย เขาต้องเตรียมตัวรับวันสบาโตทึ่งจะมีในวันในวันของเรานะครับวันรุ่งขึ้นของเราแต่วันของเขาเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 18.00 นาฬิกาแล้วพี่น้องครับหากว่าเราเตรียมตัวมานมัสการพระเจ้าเหมือนกับคนยิวนะครับก็คือ18 0 0ของวันเสาร์เพื่อที่จะเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์พี่น้องจะพบว่าการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ของท่านจะ เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าท่าทีในความอยากที่จะมานสังหารพระเจ้าจะเพิ่มขึ้นเราจะใช้วันเวลาวันเย็นวันเสาร์กับครอบครัวของเรากับการเตรียมตัวในพจน์นะของพระเจ้ากับการเตรียมพร้อมในการที่เราจะเข้ามานับสังารพระเจ้าประการต่อไปครับโหราจาร์มีความมั่นใจอย่างเต็มที่ พี่น้องครับความมั่นใจในคำพยากรณ์ก็ผลักดันให้เขาเดินไปตามเป้าหมายของเขาความมั่นใจนี่แหละครับมันเป็นพลังที่ขับเคลื่อนคนเราไปสู่เป้าหมายความมั่นใจตรงนี้ทําให้เขานั่นเงเดินอยู่ในความเชื่อมั่นต่อไปและเต็มไปด้วยความหวังครับความมั่นใจทําให้เราสามารถที่ติดตามพระเยซูได้ ความมั่นใจทําให้เขาสามารถจะค้นหาพระเยซูได้ความมั่นใจของเขาเนี่ยทำให้เขาเดินเข้าไปหาเฮโรดนะแล้วบอกว่าพระกุมารที่บังเกิดใหม่อยู่ที่ไหนเขา ม, มั่นใจขนาดนี้ถามว่าตัวเขาเสี่ยงไหมไปเจอเฮโรดทีเ่เป็นเป็นกษัตริย์ที่ดุร้ายนะเสี่ยงครับเขาวางแผนมาดีไหมครับดีครับเขารู้ว่าช่องทางไหนจะเดินเข้าไปหาเฮโรดได้และเขาจะพูดกับเฮโรอดอย่างไร แต่นะครับจากสิ่งตรงนั้นที่เกิดขึ้นความหวังของเขาเจิดจ้าเพียงใดทําให้เขามีความมั่นใจเพียงนั้นพี่นะครับการที่เราจะพบกับพระเยซูเราต้องเรียนแบบโหราจารย์ว่าเราจะต้องยอมที่จะเสี่ยงครับยอมที่จะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มีความสะดวสบายเพื่อที่จะพบกับพระเยซูเราต้องมีความมั่นใจเต็มที่เปี่ยมด้วยความหวังที่เราจะพบกับพระเยซูในเทศกาล ร, รับเสด็จนี้เหลืออีกประมาณอาทิตย์เดียว นะครับวันคริสต์มาสก็จะผ่านไปเราจะพบกับพระเยซูอย่างไรดีเราจะพบกับพระเยซูด้วยท่าทีอย่างไรและความหวังตรงเนี้จะเป็นอะไรบ้างนะครับเราจะาดูอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนเลี้ยงแกะเราจะพบว่าวิธีการที่คนเลี้ยงแกะพบกับพระเยซูเป็นอย่างไงบ้างพี่น้องครับเอาเพลงออกไปนะครับเอาเพลงออกไปพี่น้องจะเห็นว่า การเล่นละครมังคิสมาสเนี่ยคนเลี้ยงแกนี้ก็น่ารักใช่ไหมครับนะลูกแกก็น่ารักคานไปคารมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเบื้องหลังของคนเลี้ยงแกก็คือคนที่ใช้แรงงานพวกเขาเนี่ยต้องอดทนสูงร่างกายเขาต้องแข็งแรงครับเพราะว่าเขาต้องเฝ้าฝูงแกในเวลากลางคืนกลางคืนนั้นอุณหภูมิในอิสราเอลเนี่ยต่ำนะครับประมาณ10กว่าองศาโดยปกติแต่ว่ามันต่ากว่านั้นอีก นะครับในช่วงหน้าหนาวถ้าพระเยซูเกิดในวันคริสต์มาสจริงๆเนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยบางครั้งก็ติดลบถามว่าคนเลี้ยงแก่เนี่ยต้องเป็นคนแข็งแรงไหมคําตอบคือใช่ครับคนเลี้ยงแก่นั้นในบริบทของชาวยิวนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ได้เป็นอาชีพที่สูงส่งเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานพูดง่ายๆว่าเป็นอาชีพที่ที่ที่ค่อนข้างจะต่ํา ผมไม่ได้หมายความว่ากรรมกรหรือคนใช้แรงงานเป็นอาชีพที่ต่ำนะครับแต่ว่าในสังคมสมัยนั้นนะครับเขามองว่าเป็นคนที่ที่อยู่ในในใ น, ใ น, ในชนชั้นที่อีกชนชั้นหนึ่งคนเหล่านี้เนี่ยต้องพาแกะของเขาไปกินอาหารในทุ่งหญ้าแถบทะเลทรายที่กันดา n เขาต้องการบอร่อน้ําเขาต้องเจออาะบ่อน้ําขุดบอ่อน้ําเองและดึงน้ําขึ้นมาคนพวกนี้มีความทรมาร์ และบางครั้งก็หยาบ ก, กระด้างนะครับดุร้ายบ้างเพราะเขาต้องป้องกันฝูงแกะจากพวกบรรดาสัตว์สัตว์ร้ายต่างๆ <c oughs> พี่น้องครับคนเลี้ยงแกะในนครนะครับไม่เหมือนสภาพจริงในทะเลทรายนี่คือเบื้องหลังของคนเลี้ยงแกะแต่สิ่งที่คนเลี้ยงแกะทําก็คือว่าเขาฟังคําของทูตสวรรค์การที่จะให้คน กลุ่มนี้นะครับได้พบกับพระเยซูต้องใช้วิธีพิเศษวิธีพิเศษก็คือว่าต้องอาศัยทูตสวรรค์มาบอกเขาเพราะบางทีเขาอาจจะอ่านพระกัมภี์ไม่ได้ตีความพระกัมภีร์ไม่รู้ไม่มีสติปัญญาพอในการที่จะเข้าใจคําพยากรณ์เหมือนกับโหราจารย์คนพวกนี้พระเจ้าจัดเตรียมวิธีพิเศษให้เขาในการที่เขาจะได้รับขา่าวดีเรื่องพระเยซูทําให้พวกเขานั้นได้พบกับความจริงและนี่คือพระคุณของพระเจ้าครับ นี่คือพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าชนทุกชั้นทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นโหราจารย์เป็นกรรษัตริย์นะครับที่อยู่ที่ประเทศต่างๆหรือแม้กระทั่งคนเลี้ยงแกะหรือผู้ใช้แรงงานพระเจ้ามีวิธีที่จะให้เขาได้รู้จักและพบกับพระเยซูการฟังคําของทูตสวรรค์ น, นั้นเป็นวิธีพิเศษที่พระเจ้าเปิดเผยสำแดงนะครับประการที่2ก็คือว่าเขาต้องถ่อมใจความถ่อมใจนั้นเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุด อันเกิดจากความเชื่อพวกเขานั้นคุ้นเคยกับข้อกแกะในรงังญ่าดังนั้นเขาจะคิดว่ากษัตริย์ของเขาจะมาเกิดที่รังญ่าได้อย่างไงกันถูกไหมครับรังญ้าที่เขาคุ้นเคยข้อกษัตว์ที่เขาคุ้นเคยถามว่าพระเยซูจอมกษัตริย์จะมาเกิดในรังญ้าของพวกเขาได้อย่างไงต้องใช้ความเชื่อความเชื่อที่เปิดเผยจากทุสวรรค์ครับบางครั้งความเชื่อนั้นอาจจะไม่สมเหตุสมผล ตามความคิดของคนเลี้ยงแกะและบางครั้งความเชื่อก็ไม่สมเหตุสมผลในความคิดของเราด้วยเหมือนกันตามความเชื่อตามความเข้าใจของเราบางครั้งก็ไม่สมเหตุสมผลครับแต่ด้วยความถ่อมใจความถ่อมใจน่นจะเป็นเครื่องมือเจียก้าไปถึงความเชื่อและการเชื่อฟังในที่สุดประการสุดท้ายของวิธีการที่พระเยซูพราพระเยซูครับก็คือเขาต้องเชื่อฟังการเชื่อฟังนั้นเป็นการแสดงออก ของความเชื่อและความถ่อมใจการเชื่อฟังนั้นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีในใจอย่างแท้จริงจากการไม่เชื่อจากคนที่อาจจะมีจิตใจที่หยาบกระด้างนะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาพี่น้องครับไม่ค่อยมีคนมองว่าคนเลี้ยงแกะนั้นเป็นคนที่หยาบกระด้างเป็นคนหยาบกล้านเป็นคนใช้แรงงานบางทีเขาอาจจะไม่มี มารยาทที่ดีเหมือนกับผู้ดีแต่จิตใจแห่งการเชื่อฟังนั้นยกระดับเขาให้เขาพบกับพระเยซูได้เหมือนกันจิตใจแห่งการเชื่อฟังนั้นเปลี่ยนแปลงเขาได้ลหลังจากที่เขาพบพระเยซูนั้นชีวิตของเขาเปลี่ยนครับจึงเขาเดินออกไปเขาสรรเสริญพระเจ้าเป็นที่กล่าวขานจวบจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อเราเอาเพลงออกไปนะครับเราจะเห็นชีวิตของคนเหล่านี้ที่มาพบกับพระเยซูเพราะฉนสุดท้าย ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าช่วงคริสต์มาสนี้นะครับผมถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นของพระเจ้านะเป็นช่วงโปรโมชั่นของพระเจ้า <c oughs> เมื่อเรามาหาพระเยซูเท่ากับเรากําลังมาหาพระเจ้าและเมื่อเราพบกับพระเยซูเท่ากับเรากับพบกับพระเจ้าเพราะในวันคริสต์มาสนี้พระเจ้าให้โปรโมชั่นถามว่าทําไมพระเจ้าให้โปรโมชั่นครับสําหรับคนที่อยากจะพบกับพระเจ้านะครับสําหรับคนที่อยากจะสนใจเรื่องของพระเจ้า สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักกับพระเยซูมาก่อนและนี่คือช่วงโปรโมชั่นที่ท่านขอขอตามน้ํามัไทยของพระเจ้าขอในสิ่งที่ดีขอพบกับพระเยซูท่านจะได้โปรโมชั่นพิเศษท่านจะพบกับพระเยซูแน่ผมเชื่ออย่างนั้นและนี่คือสิ่งที่พ่องพีได้เคยพูดไว้อย่างเหมือนกันขอแล้วจะได้ขอในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยเราจะได้ทันทีเลยครับขอในช่วงโปรโมชั่นนี้พี่น้องครับต้องรีบขอนะครับขออยากพบพระเยซูอยากจะรู้จักกับพระเยซูให้มากยิ่งขึ้นอยากจะ เข้าถึงพระองค์ให้มากกว่านี้พี่น้องครับช่วงโปรโมชั่นนี้พระเจ้าเปิดแน่นอนครับนะครับขอให้พระองค์เป็นป้อมปาการในชีดของเราขอให้พระองค์ประทานอาหารประจําวันให้กับเราขอให้เราใกล้ชิดรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอให้พระเจ้าเป็นที่กําบังคุ้มภัยของเราขอให้เราถวายตัวเองกับเครื่องบูชาแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ขอเถิดครับพระเจ้าจะเปิดให้และพระเจ้าจะประทานให้ อีกมุมหนึ่งครับในวันคริสต์มาสนี้เราจะให้อะไรเป็นของขวัญพระองค์บ้างเราแลกเปลี่ยนของขวัญกับพระองค์นะครับจนลืมที่จะถวายเครื่องบรรณาการเหมือนกับที่โหราจารถวายถามว่าเราอยากจะถวายอะไรให้กับพระองค์บ้างริกวอรเรนได้เสนอสี่อย่างนี้ต่อไปนี้ <c oughs> ของขวัญวันคริสต์มาสนะครับอย่างแรกก็คือให้เรา trust ให้เราวางใจในพระองค์มากยิ่งขึ้น เราต้องมอบความไว้วางใจให้กับพระองค์ด้วยตนเองพระเจ้าไม่ได้บังคับให้เราพึ่งพาพระองค์ trust ในพระองค์หรือไว้วางใจพระองค์แต่เราต้องถวายการไว้วางใจของเราให้กับพระเจ้าริคัวเรนเสนออย่างนี้ประการที่สองครับของความวันคริสต์มาสก็คือให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราถ้าเราให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นๆในชีวิตนะครับสิ่งนั้นจะกลายเป็นรูปเคารพถ้าเราให้ความสําคัญ มากที่สุดสิ่งนั้นจะกลายเป็นรูกขับรถทันทีในช่วงวันคริสต์มาสนี้ให้เราเลือกเลือกที่จะให้เป็นให้พระเยซูเป็นที่หนึ่งในความสนใจของเราในโฟกัสของเราในความสัมพันธ์ของเราในตารางเวลาของเรารวมทั้งให้พระเยซูมาเป็นที่หนึ่งในความทุกข์ยากลาบากของเราด้วยและให้เราละลึกถึงพระเยซูก่อนสิ่งอื่นใดก่อนทุกเรื่องนี่คือของขวัญที่เราอยากจะมอบให้กับพระเยซูไหมครับประการที่สมครับ ริกวอเรนเสนอบอกว่ามอบหัวใจให้กับพระเยซูคำว่ามอบหัวใจนะครับมีความหมายครับพระเยซูตรัสว่าทรัพย์สินของท่านอยู่ที่ไหนอะไรครับอะไรของท่านอยู่ที่นั่นครับใจของท่านอยู่ที่นั่นคำว่าทรัพย์สินนั้นไม่ได้หมายความว่าเงินทองอย่างเดียวแต่หมายถึงทรัพยากรทุกอย่างในชีวิตของเราทรัพยากรทุกอย่างในชีวิตของเราเราจะต้องมอบและถวาย ให้กับการรับใช้พระองค์นั่นแหละครับคือหัวใจของเราสุดท้ายครับสุดท้ายของวันวันคริสต์มาสนี้ก็คือนำดวงวิญญาณถวายพระองค์นำผู้อื่นมาถึงพระเยซูและนี่เป็นเหตุผลของการเฉลิมฉลองวันคกิดสมภพครับการเฉลิมฉลองวันคกิดสมภพนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเราเองจะมีความสุขแต่ให้พระเยซูมีความสุขครับ ถามว่าพระเยซูจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อหัวใจของพระองค์นั้นพระ อ, องค์ร้องไห้ถามว่าทําไมพระ อ, องค์ร้องไห้เพราะว่าวิญญาณจิตของผู้คนมากมายไม่ได้เดินไปสู่แผ่นดินสวรรค์แต่เขากลับเดินไปอยู่ทางไหนครับมึงไฟนรกเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่ทําให้พระเยซูจะยิ้มได้ในวันคริสต์มาสนี้ ของขวัญอะไรที่ทําให้พระเยซูพึงพอใจมากที่สุดนั่นคือดวงวิญญาณที่เป็นพี่น้องของเราในครอบครัวของเราเพื่อนของเราและนี่คือสิ่งที่ทําให้พระเยซูยิม้มแต่ถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นถามว่าพระเยซูทรงเป็นอย่างไรครับคําตอบก็คือว่าพระเยซูทรงกันแสงในวันเกิดของพระองค์ถามว่าเราทําอย่างนั้นเนี่ยเหมาะสมแล้วหรือยังที่เราจะทํากับพระเยซูอย่างนั้น ทำให้พระเยซูยิ้มเถอะครับทําให้เบซูพอพระไทยนะครับและนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราในเช้าวันนี้ว่าโหราจารย์ไม่ได้นําสิ่งที่เขาเหลือใช้มาถวายพระเยซูแต่เขาได้นําเครื่องบรรณาการที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเขาเปิดหีบออกหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายพระกุมารแต่เครื่องบรรณาการเขาคือทองคํากัมยานและมดยอบในเช้าวันนี้ถามว่า เครื่องบรรณาการของเราที่ถวายพระเยซูคืออะไรขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราที่จะฉกสรรวันเกิดของพระเยซูด้วยการถวายบรรณาการถามว่าอะไรคือบรรณาการของเราอาเมน